โตเลยต้องไปเช่าห้องประชุมที่ไหนไเช่าหอประชุมธรรมศาสตร์โยมเยอะจนหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำไงนะศาลาสร้างให้โตกว่านี้ก็ดูไม่ทั่วถึงแค่นี้ก็ดูไม่ไหวแล้วงินฟังธรรมะ ก, ก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆ พยายามอ่านหนะังสือที่หลวงพ่อเขียนบ้างนะฟังซีดีฟังให้บ่อยๆซีดีล้วฟังเข้าไว้เมื่อเช้าย่างเพิ่งเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งฟังซีดีจนกระทั่งผิวพรรณสวยงามหนะังนะสืออะไรหนะังสือแอเอาไปลงนะบอกว่าสี่คนผู้หญิงสี่คนสามคนนี้ใช้เครื่องสำอางคนที่สี่ก็ปักซีดีของหลวงพ่อประโมทขึ้นมา ฟังแล้วสวยนะฟังแล้วสวยแต่สวยจริงๆนะคือถ้าใครฟังธรรมะของหลวงพ่อเข้าใจเนี่ยจิตมันมีศีลสวยและชาตินี้และชาติหน้าด้วยถ้าจะต้องเกิดอีก <c oughs> เห็นไมเครื่องสามารถอะไรก็ทําไม่ได้นะแล้ว <c oughs> เราฟังธรรมะจนเราจิตเรามีศีลเนี่ยชาติหน้าเราสวยกว่านี้แล้วฟังธรรมะเกิดสติเกิดปัญญาชาติหน้าเราฉลาดกว่านี้ ท่านธรรมะมีแต่เรื่องเป็นคุณการที่พวกเราสนใจนะหลวงพ่อก็ดีใจด้วยดูว่ามากนะมากเมื่อเทียบกับวัดทั่วๆไปแต่ว่าไม่ใช่วัดที่เขาเน้นเรื่องทาบุญทำทานนะขายวัตถุมงคลอะไรงั้นเขาก็คนเยอะแต่คนนั้นไม่ได้คนที่จะมีคุณภาพที่จะรักษาสืบทอดศาสนาไว้ได้หรอกพวกเราที่มาสนใจธรรมะเนี่ย วันหนึ่งเราก็จะมีคุณภาพพอที่จะรักษาสืบทอดศา ส, สนาต่อไปได้ถ้าธรรมมเข้าสู่ใจของเราแล้วเนี่ใจของเราเป็นที่เก็บธรรมมที่ดีที่สุดธรรมมาไปเก็บไว้ในตู้รพระไตรปิฎกเลยไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวปลวกก็กินล้วนั้นฟังธรรมมาให้เข้าใจนะรู้ลงในกายรู้ลงในใจตัวเองให้มากๆวันใดที่เข้าใจธรรมมแล้วธรรมมไม่หายไปจากเราแล้ เราก็จะบอกกับคนที่สมควรบอกต่อๆไปในรุ่นถัดๆไปได้อีกนี่ธรรมะขั้นแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าธรรมะศึกษาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ในการเรียนธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยเรียนเพื่อพน้นทุกข์เราจะต้องสามารถฝึกฝนตัวเองนะจนเราอยู่ใน ท, ทุกที่ได้อย่างมีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์เนี่ยที่คนอื่นย่าแย่เรายังมีความสุขอยู่ได้ ต้องค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างวันก่อนคุณดังตรีนแม่ก็ตายอยู่ในงานศพมีคนไปบอกแกเสียใจด้วยนะคุณสรานผมไม่เสียใจผมไม่เห็นเสียใจเลยนะตัวเองก็ทําหน้าที่ของลูกเสร็จแล้วแม่ก็ทําหน้าที่ของแม่เสร็จแล้วแล้วแม่ก็ได้ทําบุญได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติทมพอสมควรเอาตัวรอดไปมีลูกคอยประคับประคองแม่เขาตายนะเขาบอกเขาไม่ได้เสียใจเมือนหลวงพ่อเหมือนกันตอนเตี๋ยวหลวงพ่อตายนะหลวงพ่อเบิกบานใจเนี่ยยิ่งหนักกว่าไม่เสียใจอีก <c oughs> <c oughs> เบิกบานใจไม่ได้ว่าได้มอร์ดกนะมีมอร์ดดกอะไรหรอ เบิกบานใจว่านี่คําสอนของพระพุทธเจ้านี่ของจริงของแท้พ่อได้แสดงธรรมะให้เราดูอย่างเวลาเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์แสดงธรรมะล้วนๆออกมาจากใจเราฟังแล้วเราล่าเริงใจเราเห็นพ่อเราแสดงธรรมะด้วยการตายให้ดูเราล่าเริงใจในธรรมะเพราะงั้นเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราศึกษาไปเป็นวันนึงเราสามารถมีความสุข อยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้หรืออย่างน้อยก็ทุกน้อยกว่าคนทั่วๆไปในขณะที่คนทั่วไปเผชิญปัญหาระดับนี้คลุ้มคลั่งแล้วของเราแค่เศร้าหมองถ้าฝึกดีจริงๆถ้าทั้งหมองก็ไม่มีนะฝึกให้ถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธจริงๆอัศจรรย์ที่สุดเลยเพรนนเป้าหมายจริงๆวัตถุประสงค์จริงๆของการ เรียนธรรมะก็คือวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์ไม่ใช่วันหนึ่งเราจะโตนะวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์นีความทุกข์มันอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมาเรียนที่นั้นคนทั่วโลกเนี่ยและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ก, กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์บางคนทําบุญแล้วอธิษฐานนะขออย่าได้พบเจอความทุกข์ให้ห่างความทุกข์ร้อยโยต์พันโยต์หมื่นโยต์แสนโยต์ ถามว่าย่นหนึ่งยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ายาวๆนะโย่นหนึ่งสิบหกกิโลนะร้อยโย่พันโย่นนั่นก็จะเลยโลกไปล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีทุกข์ท่านสอนให้เรียนรู้ทุกข์ตรงเนี้เป็นความอัศจรรย์ของท่านใครๆก็อยากพ้นทุกข์ด้วยการหนีความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีความทุกข์แต่สอนให้รู้ทุกข์ ความทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายความทุกข์อยู่ที่จิตใจรู้ลงที่จิตใจความทุกข์อยู่ที่ไหนรู้ลงที่นั้นความทุกข์ไม่อยู่ที่ไหนหรอกก็อยู่ที่กายที่ใจไม่อยู่ที่อื่นหรอกให้เรารู้ลงที่กายที่ใจดูซิความทุกข์มันมาได้ยังไงเฝ้ารู้ไปการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสนาละวิปัสนานั้นเราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองไปจนเห็นความจริงของมัน เราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตามธรรมชาติร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายถึงยังไงก็หนีไม่พ้นเ <c oughs> มื่อหนีไม่พ้นจะไปกลัวมันทําไมนะฉะนั้นเวลาเรารู้ลงในกายในใจนะเราเห็นร่างกายนี้ทุกล้นๆน้นเลยร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ค่อยๆแก่ไปเจ็บไปตายไป ในที่สุดก็แตกสลายไปใจที่ไม่ยอมรับความจริงตัวนี้จะมีความทุกข์ขึ้นมามากแต่ถ้าใจยอมรับความจริงของร่างกายนะใจจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเหมือนอย่างบางคนนะมีแฟนแล้วแฟนทิ้งอกหักมีความทุกข์มากมีความทุกข์มากเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาไปแล้วถ้ายอมรับความจริงได้ว่าเขามาได้เขาก็ไปได้ อย่างนี้เราก็ไม่ทุกเท่าไหร่นะไปเสียได้ก็ดีเราจะได้หาใหม่เนี่ยคือถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้นะเราจะทุกน้อยถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราจะทุกเยอะเราจะทุกเพราะความอยากนั่นเองความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราอยากให้เป็นอย่างอื่นมันจะเกิดความทุกชนิดอีกชนิดหนึ่งซ้ําซ้อนขึ้นมาที่แรกร่างกายนี้แก่ร่างกายนี้เจ็บร่างกายนี้จะตายแล้วจิตใจไม่ยอมรับไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจิตใจจะมีความทุกข์ซ้าซ้อนขึ้นมานี้ทุกข์เพราะตัณหาส่วนที่ร่างกายมันเป็นทุกข์นั้นทุกข์โดยสภาวะของมันเองทุกข์โดยตามธรรมชาติธรรมดาของมันเองใจที่ไม่ยอมรับธรมมม ร, บธรมดาไ ม, มมไม่ยอมรับความจริงคําว่าไม่ยอมรับธรรมดาก็คือไม่ยอมรับธรรมะนั่นเองไม่ยอมรับความจริงใจจะมีความทุกข์มากนั้นให้เรารู้ลงที่กายเรื่อยๆไปนะเราจะเห็นว be be be be be ่ากายนี้ต้องแก่กายนี้ต้องเจ็บกายนี้ต้องตายแน่นอน ยอมรับได้พอร่างกายมันเริ่มแก่ก็ไม่สะทกสะทานหวั่นไหวอย่างถ้าเราตีนกาขึ้นเนี่ยคนไม่ภาวนานะตกใจละทำงไงจะหาย ด, ดึงตรงนี้นะตรงนี้ตึงขึ้นมาอ่าทางนี้ย่นไปอีกลนะดึงไปดึงมานะเคยอ่านหนังสือนะเาล้อผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อเสียงในสังคมในอดีตห้ามเอ่ยชื่อถึงรู้แล้วก็ห้ามนะ ก็บอกว่าหน้าเนี่ยแกตึ ง, งนะแกแกมากเละหน้าแกตึงแต่เขาสันนิษฐานว่านนหนังหน้าเดิมของแกเนี่ยอยู่ที่ท้องตอนนี้ดึงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าใจเรายอมรับนะต้องแก่พอแก่แล้วมันภูมิใจนะโอ้ดีจังเลยอยู่มาจนแก่ไอ้พวกนี้จะแก่ได้อย่างเราหรือเปล่า <c oughs> นี่ <c oughs> เวลาไม่สบายนะนอนดูมันไปนอนดูไม่สบายหลวงพ่อเคยไปเยี่ยม หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคาเขียนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมั้งให้ขีนโมูด้วยแล้วให้แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะให้ได้จีระน้อยๆท่านไม่สบายไปหาท่านท่านก็บก่าโอ้ผมไม่ไหวแล้วร่างกายผมมันไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ก็อยู่กับธรรมะได้แต่อาศัยธรรมะอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรนี่ธรรมะสะใจ ธรรมาถึงอกถึงใจจริงๆนานๆได้ฟังธรรมะถึงใจอย่างนี้สักครั้งหนึ่งท่านบอกท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรร่างกายมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันท่านไม่เป็นไปด้วยร่างกายมันเจ็บท่านไม่เจ็บด้วยร่างกายมันแก่ท่านไม่แก่ด้วยร่างกายจะตายท่านไม่ตายด้วยท่านไม่ยึดถือมันพอเราใจเรายอมรับความจริงนะไม่ไปดิ้นรนให้มันผิดธรรมชาติธรรมดายอมรับธรรมชาติธรรมดา แต่มันจะยอมรับได้มันต้องเห็นบ่อยๆดูลงมาในกายทุกวันทุกวันนะดูบ่อยๆเห็นได้ร่างกายมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายไม่ใช่ของวิเศษเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวต้องการขับถ่ายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนั่งเฉยๆก็มีความทุกข์บีบคั้นนั่งเฉยๆไม่ได้ก็ปวดอีกพอมันปวดมันเมื่อยก็ต้องขยับตัวหนีความปวดความเมื่อยขยับไปประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยอีกแล้วต้องขยับอีก ต้องกระดุกกระดิกทั้งวันเลยร่างกายนะถูกความทุกข์บีบคัน้นทุกทุกอิริยาบถร่างกายถูกความทุกข์บีบคัน้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างเราหายใจเข้าอย่างเดียวเราก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์พอหายใจออกสักพักเดียวก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์แม้ความทุกข์มันตามบีบคัน้นร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจ น, acordo, นกระทั่งอิจนาราใจนะไม่น่าไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่น่ารักไม่น่าพอใจเลยร่างกายเนี้ คราวนี้ร่างกายจะเป็นยังไงนะใจไม่เอาด้วยลนะร่างกายอยากเจ็บเหรอมันต้องเจ็บเลร่างกายจะแก่เลยมันต้องแก่นี่ยจิตใจไม่เล่นด้วยล่ะจิตใจสบายเป็นอิสระจากร่างกายไม่เป็นทุกข์เพราะร่างกายพระพุทธเจ้าเคยสอนนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เคยได้ยินไหมเรารักร่างกายแล้วเราก็ทุกข์เพราะร่างกายรักร่างกายคนอื่นก็ทุกข์เพราะร่างกายคนอื่นอีกนะเช่นเรามีเมียเมียเราสวยงามสักพักหนึ่งนะมันแก่แล้ว จิตใจเราก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วคือรักอะไรก็จะทุกข์เพราะนั้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนะั้นล้วนแต่แปรปรวนทั้งสิ้นไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะจนใจยอมรับความจริงการที่ใจยอมรับความจริงก็เรียกว่าเราเข้าถึงธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมะธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงของร่างกายนี่มันเป็นทุกข์นะความจริงของจิตใจล่ะ ใจิตใจไม่คงที่เฝ้าดูใจของเราทุกวันทุกวันเฝ้าดูไปเรื่อยๆจิตใจเราไม่คงที่จิตใจเราทํางานตลอดเวลาจิตปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุเมนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิง่งอย่าไปฝึกให้หยุดนิง่งเราต้องการสิ่งซึ่งไม่จริงเสมอเช่นร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่ร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บร่างกายต้องตายไม่อยากตายจิตใจต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยากให้มันอยู่กับที่ จิตใจนะั้นมีทุกข์บ้างมีสุ ข, ขบ้างอยากให้สุขถาวรเราไปอยากอะไรของที่เป็นเป็นไม่ได้ตลอดเวลามันก็ต้องทุกข์สิมันไม่ยอมรับความจริงนี่ใจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เราพยายามจะบังคับให้ได้เช่นใจิตใจมันต้องวิ่งไปวิ่งมาเราก็พยายามจะให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนิ่งๆ น, น้อมใจไปอยู่กับความสงบนิ่งๆมันอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดียวมันก็ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาแต่ความสุขความสงบความดี ความสุขความสงบความดีมันเป็นของไม่คงที่เราได้มาประเดี๋ยวเดียวก็จะเสียไปไทยไปบอกแค่ก็หยุดแป๊บหนึง่งมันกวนธรรมะเว <c oughs> ลาเราสอนธรรมะนะสอนออกมาจากใจก <c oughs> ็จิตของคนฟังเปลี่ยนปั๊บนี่นะธรรมะดับเลยเปลี่ยนไปถึงไหนละ <c oughs> นึกออกปะหรือก็ฟังเพลินๆเ อ, องก็ได้ ฮะตายไม่มีใครตอบได้เลยนะโอ้นี่เจอคนเก่งละแสดงว่าตั้งใจฟังให้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะเออฟังหลวงพ่อต้องไม่รู้เรื่องนะจำไว้นะถ้าฟังรู้เรื่องแสดงว่าฟังไปคิดไปแตฟังไม่รู้เรื่องนะทําใจสบายๆฟังไปเรื่อยๆธรรมะจะเข้าไปสู่ใจอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยค่อยๆฟังค่อยๆฟังไป ถ้าใจเราอยอมรับความจริงนะใจจะไม่ทุกข์จิตใจ เ, เราอยากจะได้ของไม่จริงเช่ it, นความสุขถาวรความสุขถาวรในโลกไม่มีเพราะว่าความสุขไม่เที่ยงเราอยากได้ความสงบถาวรความสงบถาวรในโลกไม่มีเพราะความสงบก็ไม่เที่ยงเราอยากดีถาวรนะความดีก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาหยุดลงที่ความดีไม่ได้มาหยุดลงที่ว่าเป็นคนดีหรือว่าทําความดี ดีจนเป็นมนุษย์ดีจนเป็นเทวดาดีจนเป็นพรหมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตื้นขนาด น, นั้นเพราะดีไม่เที่ยงธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ลงในกายรู้ลงในใจจนเห็นความจริงของกายของใจกายนี้ทุกข์ล้วนจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแ ป, ปลงทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดนิ่งเลยเพราะนั้นพันทิ์ย์ไม่ต้องไปฝึกให้มันไม่คิดจิตมันต้องคิด มันต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรงแต่งไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของเขาเราไม่ได้ฝึกให้ผิดธรรมชาติธรรมดาฝึกจนใจยอมรับความจริงนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศ ล, ล, ลชั่วคราวนะทุกอย่างชั่วคราวหมดนี่ฝึกลงไปจนเห็นอย่างนี้จนใจยอมรับตรงนี้พอใจยอมรับตรงนี้แล้วต่อไปความทุกข์เกิดขึ้นจิตจะไม่กระเพื่อมมันไหวเพอะรู้แล้วมันของชั่วคราวรู้แล้วว่าห้ามมันไม่ได้ ความสุขเกิดขึ้นนะใจก็ไม่กระเพื่อบหวั่นไหวไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าของชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นก็ชั่วคราวหมดเลยใจจะเข้าสู่ความสงบสุขได้เพราะว่ายอมรับความจรงนะิงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้ชั่วคราวทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราฝึกไปนะจนกระทั่งใจเรายอมรับความจรงิงเรียกว่าเข้าถึงธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระระหัน์ไม่ใช่มนุษย์ที่ผิดธรรมดานะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานั่นเอง เกิดได้แก่ได้เจ็บได้ตายได้นะแต่ไม่ไปเกิดอีกเลยแต่ว่าแก่เจ็บตายเพราะมันเกิดมาแล้วเนี่ยไม่หนีหนี้ไม่พ้นหรอกบางคนนึกว่าพระละหันไม่คิดอะไรพระละหันที่ไม่คิดอะไรนะต้องเป็นพระละหันที่เป็นอย่างข้างหลังหลวงพ่อเนี่ยเป็นรูปปั้นถ้าไม่ใช่รูปปั้นต้องคิดเป็นนั้นเราไม่ได้ฝึกจนผิดธรรมชาตินะแต่เราฝึกจนยอมรับความจริงยอมรับธรรมดา ทั้งกายทั้งใจนี้ไม่เที่ยงทั้งกายใจเป็นทุกข์กายกับใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงบังคับมันไม่ได้อยอมรับตรงนี้อะไรเกิดขึ้นทางกายจิตก็ไม่กระเพื่อมบั่นไหวอะไรเกิดขึ้นทางจิตใจจิตก็ไม่กระเพื่อมบั่นไหวหมดความยินดียินร้ายในกายและจิตเมื่อหมดความยินดียินร้ายในกายและจิตก็เรียกว่าหมดความยินดียินร้ายในโลกคําว่าโลกในทางาศาสนาพุทธนะัแปลว่ารูปนามแปลว่ากายกับใจโลกไม่ใช่โลกทางภูมิศาสตร์นะ คำว่าโลกในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นโลกะวิทูผู้แจ้งโลกไม่ได้แจ้งทางภูมิศาสตร์นะท่านไม่เคยประกาศว่าท่านรู้ภูมิศาสตร์แต่ท่านก็คงรู้หรอกเพราะไม่เห็นที่ยากอะไรอยู่กับครูบาอาจารย์บางองค์นะวันดีคืนดีลุกขึ้นมาวิจารณิสฎีสัมพัทธภาพเฉยเลย <c oughs> ลวู ด, ดูนะอยู่กับท่านแปลก ที่ท่านก็ชี้ลงไปที่กระเบื้องที่ปูพื้นท่านเนี่ยมันไม่มีชีวิตใช่ไหมมันเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไหวครับเราตอบแบบนักวิทยาศาสตร์เราเคยเรียนมาแนละตอนประถมสิ่งมีชีวิตกระดุกกระดิกได้สิ่งไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนไหวท่านบอกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล่วนแต่เคลื่อนไหวได้ชี้ลงไปในภายในเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่นี่คนไม่เรียนหนังสือนะผู mm ้ hmm. เท่าไม่ได้เรียนผู้เท่ารู้ด้วยใจของผู้เท่าได้อัศจรรย์ เงืงนทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไหวตลอดอย่างเราพยายามใช่ไหมเราดิ้นรนสมมุติว่าเราชอบคนนี้เราดิ้นรนจ น, นได้คนนี้มาทุกอย่างเคลื่อนไหวเนี่ยวันนี้คนนี้อาจจะไปอยู่ที่อื่นอีกวันนึ่งไปอยู่ที่อื่นอีกวันหนึ่งยังอยู่กับเราเนี่แหละแต่ว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ใช่คนคนเดิมเปลี่ยนแปลงไปหน้าตาเปลี่ยนไปนิสัยเปลี่ยนไปเมื th, ่อเราต้องพยายามปรับตลอดเวลามีงานที่ต้องแก้ไขตลอดเวลาเพราะว่าทุกอย่างไม่คงที่ เราสร้างบ้านของเราถ้าสวยชนะกาจะอยู่มันทั้งชาติแนละ้วไม่ทนายปลวกขึ้นอีกแล้ว ล, ลังคาร่วกอีกล้วไหมมีงานไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะอะไรเพราะทุกอย่างไม่คงที่ถ้าใจเราไปกังวลอยากจะให้ทุกอย่างคงที่นะเราจะมีความทุกข์มากคือไปอยากในสิ่งซึ่งไม่มีจริงแต่ถ้ายอมรับความจริงนะเราจะไม่ทุกข์เท่าไรหร่ครับทุกข์จะน้อยลงน้อยลงงั้นเราเรียนอยู่ในกายเรียนอยู่ในใจนะจนเราเห็นความจริงของกายของใจเราจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจ สิ่งที่เรารักที่สุดนะหวงแหวนที่สุดก็คือกายกับใจนี่เองไม่ใช่สิ่งอื่นนะไม่มีหรอกคนอื่นที่จะรักใครคนใดคนหนึ่งที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างเราบอกว่าเรารักสาวคนนี้ยอมสละชีวิตให้ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราถ้ามันเป็นสาวของคนอื่นใครจะไปสละชีวิตให้งโง่ใช่ไหมหรือทําไมต่อสู้สละชีวิตเพื่อชาติเพาเพราะมันชาติของเราสุดท้ายมันก็คือสนองอัตตาตัวตนนั่นเอง งันตรงนี้เองแหละนะถ้าเราคอยรู้ลงมากายยังไม่ใช่เราเลยจิตใจก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะหมดความรักกายหมดความรักใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนะเพราะงั้นสติปัฏฐานนี่ท่านสอนมาเลยรู้ลงในกายรู้ลงในใจสติปัฏฐาน4ี่นะมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจพอรู้เราจนกระทั่งหมดความยินดียินร้ายเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเพราะอะไรเพราะเข้าใจความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ไม่เที่ยงหนอกเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเหรอกหมดความยินดียินร้ยนายต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในกายอะไรจะเกิดขึ้นในใจจิตจะไม่เป็นทุกข์ไปด้วยละทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจนะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้นะไม่ได้อยู่ที่หลังคาบ้านเป็ทุกข์อยู่ในกายในใจเพราะเราไม่ยึดถือกายยึดถือใจก็คือเราไม่ได้ยึดตัวทุกข์เอาไว้นั่นเองต่อไปกายเป็นยังไงใจไม่ทุกข์นี่จิตใจจะปรุงดีปรุงร้ายอะไรใจไม่ทุกด้วยเอิสระ ต่อร่างกายต่อจิตใจนี้ค่อยฝึกนะเป็นธรรมะที่ประหลาดใครๆเขาก็หนีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์พอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งกลับพ้นทุกข์ได้นี่อัศจรย์พ้นทุกข์โดยไม่ต้องดับทุกข์นะพ้นทุกข์โดยไม่ต้องดับทุกข์ทุกข์มันก็มีอยู่ะคือร่างกายก็ยังอยู่จิตใจก็ยังอยู่แต่เราไม่ทุกข์ไปเพราะมันอีกละค่อยฝึกนะวันหนึ่งก็จะทําได้ฟังแล้วเหมือนยากจริงๆไม่ยาก อยู่ที่ว่าเริ่ม hey. ต้นให้ถูกต้องแล้วก็พอถูกต้องแล้วก็ต้องขยันไม่ใช่ว่าพอหัดรู้กายรู้ใจเป็นแล้วก็นานๆดูทีหนึ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้พอเผลอที่ไรความลงผิดเอาไปกินหมดเลยเราก็ปล่อยให้เผลอทั้งวันทั้งคืนได้ไหมก็ไปสะสมความลงผิดขึ้นมาอีกถ้าเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่าท้อถอยนะรู้สึกไป7วัน7เดือน7ปีทําไป7ปีไม่ได้ทํา16ปี16ปีไม่ได้ทํามันทั้งชีวิตเลย ชีวิตนี้ยังไม่ได้ทำเจดชาติเจ็นะชาติไม่ได้ร้อยชาติก็ต้องทำเพราะอะไรเพราความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยทำไมเราไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะพ้นจากมันได้ถ้าอยากจะพ้นจากมันต้องสู้นะต้องสู้ไม่ใช่ท้อแท้โอ้ยากเหลือเกินธรรมะอะไรยากเหลือเกินแค่ฟังก็ยากแล้วอย่าว่าแต่จะลงมือทําเลยนะฟังก็ยากเพราะอะไรเพราะคิดมาก ลงมือทำแล้วยากเพราะอะไรเพราะไปทำเอาแทนที่จะรู้เอานะมันยากตลอดนะเพราะว่าผิดตลอดงันะ้นคอยรู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจพอเข้าใจแล้วจะง่ายพอเข้าใจแล้วจะรู้สึกเลยโอ้ oh, ง่ายนิดเดียวไม่น่าเซ้อเลยนะคนที่พูดประโยคนีนะ้คือหลวงปู่สุวัตนะท่านบอกว่าตอนที่ท่านแจ้งขึ้นมาแล้วนะท่านด่าตัวเองเลยบอกทาไมมันโง่แท้นอะของง่ายปานนี้ ของ่ายๆเท่านี้ทําไมมันโง่แท้นาะท่านบอกองนี้บอกท่านด่าตัวเองเลยง่ายจําไว้นะถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกยากเมื่อไหร่แล้วก็หยุดสัก่อนมาฟังซีดีของหลวงพ่อก่อนแล้วจะรู้ว่าง่ายนี่โฆษณาซีดีนะฟังซีดีของหลวงพ่อเราไม่เครียดนะ่ะฟังแล้วแก่ช้า พวกเรา呐นะบางคนก็ฝึกกรรมฐานมาต่างๆนานาคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่กีดกันนะเคยฝึกอะไรมาก็ได้ไม่ทะเลาะวิบาสกันหรอกถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ววิธีอะไรก็ใช้ได้รูปแบบของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยแต่พวกเราชอบทะเลาะ ก, กันด้วยรูปแบบเช่นเถียงกันรู้ลมหายใจอนาปนสติดีหรือว่ารู้ท้องผองยุบดีเนี่ย หรือจะขยับมืออย่างหลวงพ่ะเทียนดีกว่าอะไรเงี้ยหรือจะดูจิตดีที่สุดพูดเราเองทั้งสิ้นไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดนะกรรมฐานแต่มันแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เหมาะกับคนแต่ละคนนั่นแหละงั้นที่มาเรียนที่นี่มีสารพัด ส, สำนักเลยไม่กีดกันยกเว้นสำนักเข้าทรงไม่มีมาแล้วเคยมีนะมีคนจะไปสำนักเข้าทรงอยู่ถัดทางนี้คนละถนนกันนะแต่มีทางทะลุ ก, กันเขาจะไปสำนักโน้น แต่วิ่งรถผิดนะเลี้ยวมานี่เลี้ยวมาแล้วเอ๊สํานักนี้เข้าทรงไงว่าเสียงดังนะไม่เห็นมีคนตัวสั่นเลยนะมานั่งฟังนั่งฟังนะแล้วบอกไม่ไปละวไม่ไปล้เข้าใจแล้วว่าศาสนาพุทธสอนอะไรศาสนาพุทธสอนเรื่องอะไรเรื่องทุกสิ่งใดที่เรียกว่าทุกก็คือกายกใจนี้สอนให้ทําอะไรกับทุกสอนให้รู้ทุก ไม่ใช่สอนให้ละทุกนะสอนให้รู้ทุกทุกมาให้รู้รู้ทุกแล้วเป็นยังไงถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งสมูทัยคือตัณหาหรือความอยากเนี่ยจะถูกละโดยอัตโนมัติรู้ทุกแจ่มแจ้งคือรู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ตัวเราสมูทัยคือตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะสมูทัยดับนิโรธ คือนิพพานจะปรากฏทันทีทันทีที่ใจหมดตัณหาหมดความดิ้นรนเนี่ยใจจะเข้าถึงความสุขความสงบทันทีสันติสุขจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉนั้นให้เรารู้ทุกนะรู้ทุกจนแจมแจ้งพอรู้ทุกแจมแจ้งตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายใจพ้นทุกข์ก็จะดับไปพอความอยากดับความดิ้นรนในใจก็จะหมดไปจิตที่พ้นจากความดิ้นรนหรืพ้นจากความปรุงแต่ง ก็เข้าไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพาน <N itt al ian> นิพพานคือวิสังขาร น, นะความปรุงแต่งคือธรรมสังขารความปรุงแต่งบางทีก็เรียกว่าสังคตะธรรมธรรมะฝ่ายปรุงแต่งธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานเรียกว่าอาสังคตะธรรมงั้นจริงๆนิพพานไม่ใช่อะไรลึกลับหรอกนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสพ้นจากขันพ้นจากทุกข์พ้นจากทุกนะฟังให้ดีนะ ไม่ใช่ต้องไปดับทุกนะให้รู้ทุกไปจนกระทั่งปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจสลัดคืนกายคืนใจให้โลกได้ไม่ต้องไปนั่งดับมันนะใครจะไปดับได้ร่างกายนี้จิตใจนี้ใครจะดับมันได้มันเกิดมันดับสืบเนื่องไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตัางหาก ง, งั้นไม่ต้องไปพยายามดับมันแต่ให้รู้มันไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเข้าถึงนิพพานนิพพานไม่ได้อยู่ไกล นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่เราไม่เห็นหลวงปู่ดูลท่านเรียกนิพพานด้วยศัพท์หลายคำบางทีท่านเรียกว่ามหาสุญญตาบางทีท่านเรียกว่าจักรวาลเดิมสัมนวนของผู้เท่าเอาแน่นอนไม่ได้นะแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่และองค์ก็จะมีสัมนวนต่างๆกันรวมความก็คือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธรรมะแท้ๆเลยที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมะที่มีแต่ความสงบมีแต่สันติเป็นธรรมะที่มีความสุข เมื่อไปรู้เข้าแล้วมีความสุขอย่างที่สุดเลยเป็นของอจจัศจรรย์นะที่อื่นไม่มีคําสอนที่อื่นจะไม่มีคําสอนชนิดนี้นะให้รู้ทุกข์จนกระทั่งหมดตัณหาแล้วก็เห็นนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาต่อไปนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่นะจิตใจก็จะมีแต่ความสุขอยู่ยางนั้นแหละจิตใจจะคิดนึกจะปรุงแต่งอะไรจิตใจก็ยังมีความสุขอย่อยางนั้นแหละกิเลสจะเข้ามาย้อมจิตไม่ติดเลย คอยเรียนนะค่อยๆฟังฟังทีเดียวไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆทีไม่เก็บค่าฟังแต่ว่าเอาซีดีไปฟังนะเอาใครจะส่งกันบ้านบ้างเชิญหนวงพ่อจะได้หยุดพูดบ้างาว่าไปเลยไม่เกี่ยงกันนะใครไม่เอาก็แล้วไปเวลามีน้อยอว่าไปค่ะคืออย่างนี้เช้ค่ะ ข, ของโยมเน่รู้สึกว่ามัน การภาวนาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะว่ายังรู้สึกหนักพาระที่ปัททะอารมณ์เนี่ยจิตมันก็มีอาการเหนื่อยอืแล้วบางครั้งมันก็จะวิ่งเข้ า, าหาลมหายใจอืบางครั้งก็ไม่บางครั้งก็จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็จะทําให้เจ็บตรงหน้า อ, อกเจ้าค่ะที่เรารู้สึกเหนื่อยนะเพราใจเราไม่ชอบใจเราปฏิเสธสภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ <Word. S 1> เช่นเราอยากอยู่ของเราคนเดียวเงียบๆแล้วต้องไปยุ่งกับคนนะมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเราสนุกที่จะไปยุ่งกับคนมัน pleasant. ไม่เหนื่อยนะมันจะมีความสุขสนุกนี่ใจเราติดในความสุขความสงบมากไปมันจะไม่อยากไปกระทบกับโลกอยากหนีโลกอยากอยู่คนเดียวอยากปิดบ้านอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีใจอย่างนี้ใจติดสมถะใจที่ติดในความสุขในความสงบนี่จไม่อยากไปอยู่กับโลก พอต้องกระทบโลกเพราะจำเป็นต้องกระทบนี่นะมันจะฝืนความรู้สึกจะเบื่อจะเอียนเบื่อหน่ายมากกลุ้มใจเครียดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมันต้องกระทบนี่ก็จะหนีไปจับลมหายใจไว้<ม>คนไหนจับท้องของยบไนชานาญก็หนีไปอยู่ที่ท้องจะหนีหนีการที่จะต้องคอยรู้เ จ, เจ้าคะ่ะตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยโยมจะ เดินทางไปเก็บอารมณ์ที่ต่างจังหวัดอยากให้หลวงพ่อแนะนําโยมบ้างโยมอย่าไปเก็บอารมณ์นะโยมต้องรับอารมณ์เปิดตาเปิดหูขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเจ้าค่ะเมื่อรับอารมณ์แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาวันไหวยินดียินร้ายขึ้นมาให้คอยรู้ทันนะอย่าไปเก็บอารมณ์หน้าอย่าไปเก็บไว้หนักทิ้งมันไปแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะชี้แนะมั่งเจ้าค่ะนี่ไงชี้แนะแล้ว รู้นะรู้อย่างที่เขาเป็นถ้าโยมไปเก็บมากๆเนี่ยโยมจะไม่อยากกระทบอารมณ์ภายนอกจะเป็นมากกว่าเขาอีกแต่ถ้าเราอยู่กับโลกลุกคลีอยู่กับโลกกรรมฐานจะไม่ได้หนีโลกนะกรรมฐานคือการเรียนรู้โลกเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันงดงามวิจิตดุจราชรสรงของพระราชาไม่ได้สอนให้หนีสอนให้รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เข้าไป เรากระทบแล้วหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันพิสูจทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําถ้ารู้ทันใช่ไหมก็ไม่มีกิเลสพ้นจากกิเลสเมื่อหูได้ยินเสียงให้มีสติรู้ทันนะความยินดียินร้ายมันเกิดที่จิตให้รู้ทันจะมุกได้กลิ่นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์เช่นใจมันคิดนึกลุงแต่งไป ความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันมันต้องกระทบอารมณ์นะมันถึงเกิดปฏิกิริยาเป็นความยินดียินร้ายขึ้นมาแต่ถ้าไม่ยอมกระทบอารมณ์นีอารมณ์เนี่ยเราจะยินดีในความสงบสงัดโดยที่ไม่เห็นเลยว่าเรายินดีอยู่จะพอใจวันใดที่ต้องออกมากระทบกับโลกข้างนอกนะเราจะอารมณ์ร้ายเราเราไม่อยากเจอถ้าถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยสงบ จิตมันก็น่าจะตั้งมั่นนะเจ้าค่ะแต่นี่จิตไม่ตั้งมั่นก็ยังซัดใส่สเจ้าค่ะจิตซัดใส่สให้รู้ว่าจิตซัดใส่เคยได้ยินไหมเจ้าค่ะเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านให้รู้ไป น, ะนี่อ้างได้ตลอดนะมี Refer อนี่พวกเราชอบเราชับคิดนะคิดเอานะว่าต้องสงบสงบแล้วจะเกิดปัญญาสงบไม่ได้เกิดปัญญา ตั้งมั่นต่างหากเกิดปัญญาจิตตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจแบบไม่เข้าไปแทรกแซงรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยอํานาจของความยินดียินร้ายถึงจะเกิดปัญญาถ้าไปสงบนิ่งๆอยู่นะได้แต่ความสุขได้แต่ความพอใจไม่เกิดปัญญาพวกฤาษีชีไฟที่เขาทำฌานเขาสงบนะสงบเก่งกว่าเราอีกบางคนจิต ด, ดับลงไปเลยไม่มีความรู้สึกตัวเหลืออยู่เลยอย่างนั้นอยู่ได้เป็นหลายๆปีหลายๆกลับเนะี่ อยู่นานจนโลกแตกไปแล้วพวกนี้ก็ยังเงียบๆอยู่อย่านัน้มีความสุขออกจิตเคลื่อนออกจากตรงนั้นนะมันสงบมานานมันจะร้ายที่สุดเลยนะพระเจ้าถึงสอนพวกผลมพวกอะไรเงี้ยพอเคลื่อนจากลมมาโลกนะลงอบายส่วนใหญ่ก็สงบมานานนั้นพยายามรู้โลกนะพยายามอยู่กับโลกอย่าหนีโลกเรียนรู้โลกไปเรียนรู้โลกอยู่กับโลกกระทบโลกแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไป จิตใจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นเมื่อตาเรามองเห็นจิตใจเกิดปฏิกิริยาเมื่อหูได้ยินเสียงจิตใจเกิดปฏิกิริยาเมื่อใจเราคิดนึกปรุงแต่งให้รู้ทันปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันจิตจะทำงานจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งทางานขึ้นมาเรียกว่าจิตสร้างพบการทางานทางใจเรียกว่าพบสักครู่นะโยมอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวธรรมะหายหมดไม่ใช่อะไร เมื่อกี้ถึงบอกพันทิพย์ว่าอย่าเพิ่งับดับหมดเลยนะดับดับจริงๆนะเพราะเราไม่ได้มีบทเอาไว้ภาคนะหมดแล้วอ้าวถามได้ฮนะเพอาม่เกิดการทำงานก็คือมันสร้างภพขึ้นมนาะความทุกข์มันจะเกิดนะให้รู้นะรู้ลงปัจจุบันไปครับก่อนนะไม่เข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศนะพะใครไปกวนปั๊บนะ ธรรมะท่านหายไปเห็นครั้งแรกนะท่านอาจารย์มหาบัวในงานศพหลวงปู่ดูลนท่านไปเทสงานศพหลวงปู่ดูนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่าน เ, นเาน บ, เนยบาานเียดกปบเ ป, เ, ปเทสเยอะหลวงปู่ซิมก็ไปอะไรก็ไปหลวงตาไปเทสเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นรู้รจักหลวงตาตอนนะั้นถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยถ่ายแกลกแกลกแกลกนะท่านเริ่มพูดสองสามคำถ่ายรูปแกลกท่านก็หยุดไปนิดหนึ่งเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วถ่ายรูปอีกแกลกนะ พอครั้งที่สามแล้วท่านวากเลยนี่ธรรมะจบไปสามกันแล้วน ะ, ee, รระห้ามกวนะเวลาธรรมะนะฟังธรรมะด้วยใจอย่าคิดพอคิดนั่นแหละจะเกิดคำถามฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจง่ายจะยาตายไปอา้อาวอ้าใครจะถามเชิญอา้าว น, น่นยกมือละจิรัตมีอะไรเอาเลยเอาเอาหญิงก่อนเลยไหนๆก็ถือไมล่ละ อยากให้หลวงพ่อดูว่าตอนนี้สภาวะอะไรที่มันเด่นนะคะหลวงพ่อท่นเด่นคือปกครองไว้ปกครองไว้นิดนึงที่ดูไม่ค่อยออกะคะ่ะอย่างนี้รู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อๆก็รู้ว่ามันนิ่งแล้วตอนเชา้าอะค่ะหลวงพ่อตอนเช้าไม่ทัหาหลวงพ่อเช้าจําไม่ได้แล้วคนเยอะเกิน <C> e <ars> แต่ใจมันปะครองยังนิ่ง <C> e <ars> อารมก็ยังดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นอยู่จิรัตใช้ได้นะวันเนี้ <C> e <ars> เพราะอะไรเพราะมันดิน้นแล้วจิรัตปล่อยให้มันดิน้นของหญิงอะมันจะดิ้นจิยิงไปบังคับให้มันนิ่ง อ้าวยมก็โยมไปเห็นตัวเองหลงกระงานเยอะค่ะแต่มว่าวันเสาร์นิดลื่นลมแล้วก็เห็นตัวเองกำลังคิดแล้วก็กำลังมวนชัดเจนเออต้องอย่างนั้นสิว ป, ปกติมันลื่นแล้วมันจะไปเลยแต่ทันนี้มันไปเห็นว่าเอใจคิดว่าจะล้มถ้าไม่ล้มได้ไหมอะไรว่าแขนขาจะลงยังไง อ, อ, อะไรน่ามันรู้หมดเลยนะมนจะพลิกยังไงนี่มันรู้ตลอดเลยครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังนะมีอยู่สององ องหนึ่งหลว พ, พ่อพุธนั่งรถตู้ไปแล้วรถตู้ตกถนนท่านบอกท่านรู้ตัวตลอดเลยนะเอียงยังไงรู้สึกตลอดวิ่งรถมันวิ่งไปจชนต้นไม้ท่านก็รู้ไปว่ารถจะชนต้นไม้นะรถมันก็ขยบให้วิ่งไปอีกนิดนึงเจออีกต้นหนึ่งแล้วก็ขยบท่านบอกเนี่ยมันหลบอยู่หลายทีไอ้ต้นสุดท้ายเนี่ยท่านหมดแรงแล้วมันเลยชนเลยแต่มันเบาแล้ว จะมาหาบัวที่ท่านเล่าที่ท่านรถความใช่ไหมท่านบอกว่ามือไม้จะไปยังไงนะรู้สึกหมดเลยใจเนี่ยปกติเลยร่างกายจะถูกเวียงยังซ้ายยังขวารู้ตลอดนี่ยเราฝึกไว้หลงพ่อเคยทงขับรถยังขับไม่เป็นนะัแต่ซาจะไปดูนกปากหาง <c oughs> ขี่มาซะเร็วเชื่ขึ้นสะพานสะพา น, พานบ้านนอกหัวตัดตัดนะเราไม่เคยเห็นนะอยู่กรุงเทพไม่เคยมีเนะี่ยขึ้นไปนะรอยสี่ล้อเลยหัวนี่ไปชน หลังคารถชนเพดานมองเราไปข้างหน้าอุย้ยคน้นสะพานเนี่ยนะนิดเดียวเดียวหักศอกนะโอ้โหเนี่ยถ้าไม่ฝึกสตินะตายแง่งเลยสองคนไม่ได้บวชหรอกนะ <c oughs> ฝึกสตินะเหยียบเหล็กลางอากาศเลยเสร็จแล้วลงมาถึงพื้นไม่เหยียบนละให้รถมันไหลไปค่อยๆเลี้ยวไปสติมันจะทำงานอัตโนมัตนะินะงั้นฝึกไหม คนที่รู้นี่เป็นเป็นใครไม่มีคนอ่ะมีแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นคนรู้แล้วตัวนั้นไม่ใช่เราด้วยไม่มีเรามีธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตธรรมชาติที่ถูกรู้ทั้งหลายเรียกว่าตัวอารมณ์ธรรมชาติที่เป็นตัวรู้เรียกว่าจิตนะมีจิตกับมีอารมณ์เป็นของคู่กันตัวอารมณ์ก็ไม่ใช่เราตัวจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราดีที่เห็น ไปส่งโยมนู้นยกมานานนั่นคนเสื้อสีชมพูที่จับไม้ตะเกียบนะใจมันมัวไปนิดหนึง่งมีโ ม, มหะนะอาจนรำมศการหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างก็ดีแล้วล่ะนะจิตดีขึ้นเยอะแล้วคอย<ล>รู้สึกเรื่อยๆแต่ว่ามันนิ่งมากไปนิดนึง ตอนนี้ไปบังคับมันนิ่งเกินจริงไปนิดหนึ่งคือตั้งใจฟังอะฮะตั้งใจแรงไป <c oughs> บอกแล้วให้ฟังเล่นๆฟังอย่างมีความสุขไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้เห็นไมเรียนกับหลวงพ่อแปลกไหมไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ฟังไปเถอะแต่ว่าฟังแล้วจิตใจเราขยับเยื่นเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆเราเรียนด้วยการปฏิบัติจากของจริงเราเห็นจิตใจแอบทางานตลอดอย่างนั้นใช้ได้ อตอนโยมอยู่บ้านฮะมันติดจะติดที่จิตปรุงแต่งอย่างเช้าวันนี้เยไม่ทราบว่าลูกจะมาก็นึกว่าตีสี่กว่ากว่าก็าลุกขึ้นมาทํากายภาพนิดหน่อยก็จะไปหงค่าจะเตรียมอาหารไปวัดจะไปใส่บาตรพอดีลูกถามแม่จะไปไหมวันนี้จะไปวัดตอบทันทีเลยไปโดยไม่ต้องคิ <laughs> ดอืม <laughs> ก็รีบ <laughs> <laughs> อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็<ม>แต่กว่าจะออกมาได้มันสายไปนิดนึงปกติจะเช้ากว่า น, นีม้มาถึงนี่ก็มีความป่าบปื้มว่าคนมามากมดีใจ<ม>เสร็จแล้ว อ, อยู่บ้านเนี่ยจะติดฟุ้งหะบางครั้งแล้วเผลอบ่อยเวลา<ม>สวดมนต์งั้นสวดมนต์เรื่อยๆนะ สวดมนต์ไปแล้วใจเผลอไปแล้วรู้ใจเผลอไปแล้วรู้อย่าัวเราะนะพูดจริงๆนะบางคนแอบัวเราะเลยสวดมนต์แล้วใจลอยก็ให้สวดไปเรื่อยเรื่อยเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นสวดไปสวดแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรารู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันหรือว่าฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งดูท้องพองยุบหรืออะไรก็ได้ที่เคยทําดูท้องพองยุบแล้วใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็ค่อยรู้ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆ กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันขยับอย่างหลวะพเทียนขยับปุ๊บใจไหลไปอยู่ในมือไปเพ่งมือก็รู้ทันใจไปคิดก็รู้ทันนะใจเป็นยังไง ร, รู้ทันอะไรก็ได้ต้องทําไว้สักอันหนึ่งก่อนเคยทํากรรมฐานอะไรทำอันนั้นแหละข อ, องโยมสวดมนต์ได้ก็สวดไปสวดแล้วก็ดูใจมันทํางานไปอช่วยส่งไมมาให้โยมผู้ชายเสื้อสีน้ําเงินนี่เลยมึกมาช่วงเช้าที่กับผม นั่งอยู่นะครับฟังของพ่อเทสผมก็เห็นหลวงปู่มั่นแล้วก็ผสมกับหลวงพ่อชา เ, เห็นหน้าท่านกล ม, กลมผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาถามนะครับพอดีหลวงพ่อถามผมก็ยกอันนี้ขึ้นมาก่อนอก็ดีแล้วเห็นนะะวกลับทีนี้เป็นอย่างนี้ครับจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเรียนถาม ในที่ประชุมอย่างนี้เนี่ยมันมันถูกต้องหรือไม่สมควรหรือเปล่าครับตอบยากนะกับหลวงพ่อนะถามอะไรก็ได้แต่คนฟังเนี่ยบางคนงมงายหรือสับสนคือจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันจะรู้อะไรก็ได้จิตเนี่ยมันรู้อะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อมันรู้แล้วอย่าเสือเราเห็นหลวงปู่มั่นเห็นหลวงพ่อชายเห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นกระทั่งพระพุทธเจ้านะ มันจะเห็นอะไรเนี่ยก็ช่างมันแต่เห็นแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงให้เรารู้ทันที่จิตของเราเพราะฉะนั้นตัวสําคัญอยู่ที่จิตของเราเองเห็นอะไรก็ได้ไม่แปลกมันอยู่ที่ว่าใจเราผูกพันกับครูบาอาจารย์องค์ไหนบางทีใจเราผูกพันนะเราสัมผัสเรารู้สึกเหมือนท่านอยู่ใกล้ๆเหมือนอย่างเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมเรารักพ่อรักแม่ตอนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะเราก็ไม่ค่อยนึกถึงอะไรเงี้ย แต่พอพ่อแม่ตายนะเรานึกถึงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงปู่ดูลยังมีชีวิตยอยู่นะ <PE> เรารู้สึกเรายัางหลบหลบหลีกหลีกท่านได้แต่พอท่านสิ้นแล้วเนี่ยนะรู้สึกเหมือนท่านอยู่กับเราทั้งวันเลยเราจะขยับซ้ายขยับ donc, ขบวานะเหมือนท่านมองเราเรื่อยๆเราจะไม่กล้าขาดสตินานไม่กล้าทําชั่วงั้นยอมเห็นก็ได้นะ เห็นแล้วรู้ทันใจของเราไปด้วยเอามาเป็นกำลังใจในการภาวนานะฮะนี่เห็นไหมมีคนสนใจละ <c oughs> อุ๊ยหลวงพ่อจะไปเห็นทำไมหลวงพ่อไม่สนใจไม่สนใจไม่ต้องสนใจนะสนใจกิเลสไม่สนใจกิเลสแล้วดูกิเลสดีกว่าดูพระพุทธเจ้านะดูกิเลสไว รู้สึกไหมส่วนใหญ่ในห้องใจกําลังฟุง้งซ่านรู้สึกไหมเอาไม้ไปไหนแล้วล่ะอาว่าไปคือเดีย๋ยวเมื่อกี้ที่หลวงพ่อท้าว่ามีโมหะหนูดูไม่ออกค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ที่หนูปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างเลยสังเกตไหมใจมันซึมๆรู้สึกเหมือนติดอะไรสักอย่างนั่ น, หนแหล ะ, ะมันมีโมหะครอบงําอยู่มันซึม อ, อ๋อจะต้องคือหนูดูไม่ออกก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็กระดุกกระดิกไว้อย่าอยู่นิ่งๆอย่านั่งนิ่งๆลืมตาไว้กระดุกกระดิกไว้ แล้วต้องปฏิบัติในรูปแบบไหมคะพรนูรู้สึกว่าพอหนูสวนมนต์น่สมาธิทุกวันแล้วมันลดล ง, ลง น, นงลดลงก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่าเอาคําตอบของคนหนึ่งไปใช้นะแต่ละคนไม่เหมือนของคุณลดการทําในรูปแบบลงก่อนเพราะติดสมถะค่ะเออไม่ต้องทําอะไรเลยดูจิตอย่างเดียว ม, มีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันเนี่ยงานที่ต้องทํา เดี๋ยลวพ่อบอกไม่ต้องทําอะไรเลยคือไม่ปฏิบัติเลยไม่คือหนูบางทีหนูก็เหมือนรู้กายแต่หนูไม่รู้ว่าอันนี้หนูเสียแส่งขึ้นมาเองหรือว่ารู้จริงถ้าสงสัยว่าเสียแส่งไหมให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นะรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่พลาดหรอกนะของคุณบังคับมากไปไปกดตัวเองจนมันนิ่งอ้าวมีใครอ้าวเบอร์เบอร์อะไรเบอร์เจสิบสามนรมัสกาหลวงพ่อค่ะ ขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําว่าตอนนี้ที่ดําเนินอยู่ถูกต้องไหมคะรู้สึกว่าเป็นยังไงขณะนี้จิตเป็นยังไงขณะนี้ก็ตื่นเต้นแล้วจิตเป็นไงอีกก็เมื่อเช้าก่อนทานข้าวก็รู้สึกว่าเบิบบ้ขณะนี้ยขณะนี้รู้สึกไหมเป็นยังไงขณะนี้ก็ตอนตะเกียะตอนที่คิดถึงการกินข้าวจิตหนีไปดูออกไหมค่ะให้รู้ลงปัจจุบันไปได้ตอนนี้ตั้งใจฟังแล้วทราบไหมทราบค่ะ ไม่ทราบหรอกเห็นไหมยังตั้งใจอยู่เ <c oughs> นี่ยรู้ลงปัจจุบันนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว <c oughs> ดูบ่อยๆค่ะ <c oughs> แล้วก็จะเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะฟังในซีดีหลวงพ่อพูดถึงว่าการกลั้นลมหายใจอะคะ่ะทีนี้ว่าสภาวะช่วงที่กลั้นนั้นเป็นอารมณ์ประโภคคะนี่พอดีว่าหนูอยู่บ้านเนี้ยหนูจะกลั้นลมหายใจสูตรลมแล้วกลัน้นแล้วก็ คือกลั้นเพื่อว่าเมื่อเวลาหายใจออกแลาวนี้เอาลมหายใจเนี่ยมาไล่ความเวทนาในกายอะคะ่ะเช่นความปวดเมื่อยทําไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเวทนามันก็คลายออกแล้วใจมันก็สงบพองใสดีไม่ทราบอันนี้เป็นสมถะแต่ว่าจะใช้อารุณหรือเปล่าคะคือสมถะยังมีรูปอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะก็เป็นรูปไม่ใช่อารุณ ก็คือทำไปได้ใช่ไหมค ะ, ะนะทำไปได้ใช่ไหมคะได้แต่เป็นสมถะน ะ, <ฮ>ะสมถะก็ควรทำแต่ต้องทำด้วยการรู้ว่ากำลังทำสมถะอยู่อย่าไปคิดว่าห้ามทำสมถะสมถะมีประโยชน์แต่มีประโยชน์แบบสมถะคือทำให้จิตสงบจิตสบายจิตมีความสุขจิตชุ่มชื่นแต่ว่าไม่ทำให้เกิดปัญญาตัววิปัสสนานั่นแหละทาให้เกิดปัญญา แต่จิตใจที่แห้งแล้งไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความชุ่มชื่นไม่มีแรงจะทำมิปัสสนาเพราะฉะนั้นบางคราวเราก็ต้องทำความสงบเข้ามาให้จิตใจสบายมีความสุขมีความสุขแล้วก็มารู้กายมีความสุขแล้วมารู้ใจให้เกิดปัญญาสุดท้ายต้องมารู้กายรู้ใจนะถึงจะพ้นทุกข์ได้ก็คือช่วงนี้ก็คือมีสดมลแล้วก็มีทาสมาธิแบบเคลื่อนไหว อ, อะค่ะ ทำไปก็เห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นอะไรอย่างนี้ระวังนิดหนึ่งเวลาที่ไปเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้ใจถลำลงไปเห็นให้ใจดูอยู่ห่างๆอย่าให้ใจไหลลงไปอย่างพอไปรู้เวทนาจิตก็ไหลไปอยู่ที่เวทนาอย่างนี้ไม่ดีพอรู้ความคิดจิตก็ไปเกาะอยู่ที่ความคิดอย่างนี้ไม่ดีให้จิตอยู่ต่างหาเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆแล้วใจมันจะไม่ซึมไม่งั้นซึมเยอะไป ที่มันซึมเพราะว่าใจมันไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์เวลาไปรู้เวทนาใจไหลไปอยู่กับเวทนาอะไรเงี้ยก็จะซึมซึมไปอย่างนี้ถ้าเมื่อเรารู้แล้วเราก็ถอยถอยออกมานิดนึงนี้เป็นการจงใจงจงใจแต่ว่าจงใจก่อนก็ได้ไม่เป็นไรให้รู้ว่าจงใจอยู่ช่วยมันนิดนึงมันซึมเกินไปที่ซึมเพราะว่าจิตเข้าไปนอนแช่เอาเบอร์ยี่สบสามส่งกันบ้านคค่คะ ไม่ยกมือหรืชี้ให้ ก, การบำเพ็ญสการครับหลวงพ่อครับผมมีอนันตริยกรรมที่เ อ, อห้ามมักผลหรือเปล่าครับฮะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เปล่าเปล่าครับอแล้วตอนเป็นพระไปยุให้ส่งแตกแยกก็แ่าไม่เคยเป็นพระครับเ อ, อเคยฆ่าพระพุทธเจ้าป่ะไม่เคยรเครับเือเ อ, เอาไม่มีแล้วมันจะมีอะไรละ่ะตอนนี้ผม ก็สภาวะเปล่าๆอะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรเหมือนกันนั่นแหละให้รู้สึกไปสภาวะเปล่าๆนั่นแหละรู้สึกบ่อยๆนะแต่อย่าตรึงใจให้อยู่กับสภาวะตอนนี้นะคไม่ไม่ประคองไว้ในสภาวะ น, นี้ตรงนี้ ใ, ใจมันไม่ปรุงอะไรโล่งๆแต่เราอย่าไปยินดีในความโล่งๆตอนนี้ครับผมติดเพ่งอยู่ไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วครับมันมันไปเกิดความว่างๆขึ้นมาแล้วไปเกาะนิ่งๆอยู่ในความว่างๆนั้น ยังมันยังไปยินดีในภาวะของความว่างๆนี้ครับดูออกไหมใจมันโล่งๆดูออกครับนะผ่องไสเหมือนไม่มีอะไรเหมือนโลกนี้ว่างเปล่าเลยมองผู้มองคนนะเหมือนมองอะไรโล่งๆอย่างหนึ่งไม่ใช่คนหรอกเนะี่ยพอใจมาถึงตรงนี้เนี่ยใจมันพอใจในสภาวะนี้ให้รู้ทันครับอย่างตอนนี้จิตมันเกิดปีติแล้วก็รู้ทันว่ามีปีติ จิตมันเป็นไงเรารู้ลงไปในปัจจุบันเรื่อยๆอย่าให้มันไปอยู่ในความนิ่งๆเฉยๆนานๆเกี่ยวบขี้เกียจครับมันเพิ่งเป็นเมื่อกี้เองครับนั่นแหละดีแล้วหลวงพ่อถึงชี้ให้พูดชี้คนไหนดี <c oughs> เอาไกลๆเหรออ้าว ค, ค, คนนี้คนนี้คนนี้เขายกมือมาส่งมาข้างหน้าผู้หญิงเสื้อดำหลวงพ่อคะตอนนี้รู้สึกว่าเออ ความอยากที่จะดีให้มันเหมือนเดิมลดลงไปเยอะอะค่ะแต่ก็ตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับพอเรากำลังจะรู้ว่ารู้เข้าไปอย่างคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดอยู่อย่างเงี้ยพอเราหันไปมองเขาก็กึ๊กหยุดไปอย่างเงี้ยหรือไม่บางทีพอคิดเสร็จแล้วเราไปรู้มันก็กึก๊กเอมุมันแรงม<อ>ันแรงอะหนุกก็เลยไม่รู้ว่ามัน หนูตั้งใจที่จะไปมองมันเกินไปไหมเพราะ บ, บา ง, บางทีมันยังบังคับตัวเองเยอะไปนิดนึงนิดเดียวนะเราก็บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยังแอบแอบที่จะอยากดีเหมือนเดิมด้วยใช่ไหมคะใช่ใช้ได้เลยที่รู้ทันดีแล้วแล้วบางทีทําไปทํามาบางทีหนูไม่แน่ใจว่าหนูมัวอยู่หรือเปล่าอืให้รู้ว่าไม่แน่ใจนะแต่ตอบได้ง่ายง่ายหมรู้ลงปัจจุบันไม่มีพลาดหรอก ก็ฟังฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจะมีอยู่อันหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าวิปัสสนาแล้วเราเครียดจนติดเป็นนิสัยจะตกนรกอ่ะก็เลยรู้สึกไม่ใช่วิปัสสนาแล้วเครียดนะวิปัสสนาจะไม่เครียดแต่ถ้าบังคับตัวเองแล้วถึงจะเครียดจะเครียดอะเราก็จะตกนรกใช่ไหมใจของเรามันตกตั้งแต่ยังไม่ทันตายใช่เพราะเราเครียดเนี่ยเครียดมันก็เป็นโทสะ จิตที่เคล้าเคลียอยู่กับโทสะนะก็คือจิตที่กําลังตกนรกอยู่ละก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงดีไม่เอาอะไรสักอย่างอารมณ์ก็เลยรู้สึกมัวอยู่หรือเปล่านะมัวรู้ว่ามัว่วสงสัยว่า ม, วมั่วไหมรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่ผิดหรอกนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกไม่ใชใจเดี๋ยวเนี้ยมันโล่งๆกว่าเมื่อก่อนเบากว่าเดิมส่วนไอ้หนุ่มนู้นนะที่ว่าไปว่างๆหลงไปแล้ว เบอร์ยี่สิบามอะนะหลงไปแล้วอของคุณอดีขึ้นแล้วตอนนี้หลวงพ่อคะแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันจะเรียกสภาวะอะไรไม่ต้องอ ไ, ไปเรียกมันให้แค่รู้ก็พ อ, อใช่ไหมแค่รู้ชื่อไม่สําคัญะบอกนํานั้นสําคัญชะไห น, นไม่สําคัญไปส่งไปข้างหลังคุณผู้ชายข้างหลั ง, ก, ลงการนมัสการหลวงพ่อนะครับก็ยังรู้สึกว่า ยังมีคนอยากอยากดีอยู่ฮะแล้วก็ไปเป็นคุณพ่อรู้ดีอยู่เลยดีแล้วละครับดีแล้วเราดูไปเรื่อยเรเรายังช่วยลูกทํากันบ้านรู้ไปเรื่อยเยดีแล้วนะของคุณจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วใช้ได้อ่ะคนนั้นเสื้อเหลืองอยากได้ละผู้ชายนั่นแหละหน้ากลมๆนั่นเนาะเอ่อ ส่วมากจะเห็นสภาวะมันบางทีมันก็อยู่ห่างๆนะครับเออบละทีมันก็ติดแนบเอนแหละไม่ต้องให้มันห่างก็ได้มันแล้วแต่ห่างก็ช่างมันมันเข้าไปแนบก็ช่างมันเป็นกลางะรู้อย่างเป็นกลางแล้วก็จะเห็นเลยทั้งห่างทั้งแนบนะล้วนแต่เอาไว้ไม่ได้ทั้งคู่เลยไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งมาส่งมาข้างหน้าก็ผมต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมรึเปล่าครับหรือว่ารู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยหรือว่าที่รู้อยู่นี่ ถูกต้องรึเปล่าครับอะไรนะฟังไม่ออกที่รู้อยู่นี้ถูกต้องรึเปล่าครับถูกต้องต้องสังเกตอะไรเพิ่มรึเปล่าครับหรือว่าสังเกตก็ อ, อยากสังเกตดิรู้ลงปัจจุบันไปคือเราหัดเนี่ยจนเรามีสตินะเรารู้สภาวะและ้วต่อไปสภาวะอะไรปรากฏก็ตามรู้มันไปในทุกๆเวลาเนี่ยจะมีสภาวะเสมอเลยแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่ามีสภาวะคือเราไม่รู้จักสภาวะบางอย่างเช่นดูไปเรื่อยๆแล้วว่าง ว่างๆเราบอกว่าไม่มีอะไรจะให้ดูแล้วพี่แท็กก็ดูว่างนั้นแหละไอ้ว่างก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเดี๋ยวก็ดับเหมือนกันเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นอย่าสงสัยเยอะให้ดูความสงสัยไหมคือดูอยู่แล้วมันก็จะมีความคิดเหมือนกับว่าที่คอยสงสัยเออนั่นแนะหละให้ดูไปนะเพราะว่านิสัยชอบสงสัยสัง <c oughs> เกตไหมมันจะสงสัยอยู่เรื่อยๆแไปงั้นดูไปไม่ตอบอคุณผู้ชายที่ยกมือ อย่าไปบังคับให้นิ่งนะคุณที่กำลังจับไม่ไปตรึงความรู้สึกแรงเกินไปนิดนึ่งเอาว่าไปยังไม่ได้ว่าเลยเรตัวกันบ้านแล้วครับทะานอาจารหลวงพ่อครับ <c oughs> ผมบางบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็สลับกับมีความทุกข <c oughs> ์ผมรู้สึกว่าจิตผมไม่ยอมรับ <c oughs> เดี๋ยวก็รักสุขเกียดติทุกข์อยู่อย่างงี้แลว่ดีแล้วจิตเราไม่เป็นกลาง นะจิตเรามีความยินดีต่อความสุขยินร้ายต่อความทุกข์ให้รู้ไปว่ายังยินดียินร้ายอยู่ไม่ต้องเป็นกลางนะมันไม่เป็นกลางรู้วไม่เป็นกลางถ้าอยากให้เป็นกลางเราจะมีความทุกข์มากกว่าเก่าอีกให้ยอมรับสภาพทุกอย่างที่เขาเป็นแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อครับนิ่งเกินไปประคองไว้มากไปปล่อยอีกนิดหนึ่งปล่อยให้สบายๆรู้สึกไหมใจเราตอนนี้ไม่เหมือนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เหมือนคนธรรมดา นึก อ, ออกไหมใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงไปนิดหนึง่งต้องกระทบอารมณ์มากกว่านี้ใช่ใช่เอามากระทบนะแต่ถือศีลห้าไว้ก่อนพอกระทบอารมณ์แล้วถ้าไม่มีศีลห้าแล้วอันตรายเช่นแปรตาไปกระทบสาวใช่ไหมใจเกิดกิเลสอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปหลอกเขาอะไรเงี้ยแต่ต้องมีศีลห้าพอเรามีศีลห้าแล้วเราก็กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบแล้วเราก็ไม่ไปตรึงใจให้นิ่ง จิตมันจะยินดียินร้ายก็ให้มันยินดียินร้ายไปหน้าที่เราคอยตามดูจนกระทั่งเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยอ้ามีใครจะคุยบ้างเชิญนี่คนนี้ยกเร็วคนนี้ยกก่อนนะดีใจรู้สึกไหมแต่ว่าพอไมค์เข้าใกล้ก็ตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นอ้าผิดมุม <c oughs> คนนนเสีย <c oughs> ใจด้วยนะ กันน้านาว่ว<ง>ปกติฟังเมื่อกี้เห็นตอนที่ไม้เคลื่อนไหมพอไม้มาทางเราเราก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีแรกมันยังไม่มาอยากให้มาใช่ไหมพอมันมามันตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นพอมันเลี้ยวผิดมุมไปผิดหวัง <c oughs> รู้ถึกไหมเ <c oughs> นี่ยหัดดูอย่างนี้นะ <c oughs> ดูลงไป <c oughs> ตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือยังอ ะ, ะถูกแล้วดูบ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้ <c oughs> เหมือนอย่างเรื่องแค่ไม้นี่เป็นตัวอย่างนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพอตาเรามองเห็นนะความรู้สึกเราเปลี่ยนนะพูเราได้ยินเสียงความรู้สึกมันเปลี่ยนเห็นไหมแค่รูปคือไม่เคลื่อนไหวใจเราเปลี่ยนไปทั้งหลายแบบแล้วนึกออกไหมนั่นแหละรู้ทันใจของเราไปมาส่งมาข้างหน้า mm hmm. เดี๋ยวข้างหน้าเขาเสียใจเหมือนกันมาถึงมือแล้วหลุดไปอีกคนเรานี่แปลกนะไม่ไม่มานะก็อยากให้มาพอมาแล้วก็กลัวอ้าว่าไป ค่ะก็ช่วงหลังก็รู้สึกว่ามีสติเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะถามจากหลวงพ่อว่าตอนนี้ต้องปรับปรุงแบบฝึ ด, ดอยู่อย่างนี้แหละใช้ได้นะไม่ได้ติดสมาธิใช่ไหมคะยังไม่ติดนะแล่ผู้ชายที่อยู่ข้างๆใช้ได้เลยนะดีแล้วแถมให้หน่อย <c oughs> มาครุนี้ยกมือแล้ว เ, เดี๋ยเดี๋ยวนะใกล้เคียงเข้ามาแล้วอดทนไว้อีกสักพักนึงคงมาอ้าวว่างไง หลวงพ่อเจ้าคะ่ะอ อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําโยมนิดนึงเจ้าคะ่ะเพราะว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้รู้อะไรไม่แน่นอนเลยสักอย่างเจ้าคะ่ะรู้สึกแบบช่วงนี้จะ ท, อทอ้อๆเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวท้อลงเดี๋ยวจะขึ้น ข, นขนลงลงแล้วก็ไม่เป็นเลยเหรอก็ดูเป็นเจ้าคะ่ะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าวัดชัยือทําสมาธิติดความสงบไม่อยากเอาไปกระทบโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ<อ>จ้าค่ะท้อก็รู้ว่าท้อก็ดีแล้ว สงสัยรู้ว่าสงสัยก็ดีแล้วกลัวว่าที่รู้อยู่จะแบบเข้าข้างตัวเองใจใจมันฟุ้งซ่านไปนิดนึงเดี๋ยวค่ะให้รู้ทันแต่ใจมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวค่ะแต่ว่าทาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคือทําในรูปแบบก่อนนอนแบบนี้คือควรอยู่แล้วใช่ไมเจ้าคะควรอยู่แล้วนะดีแล้วใช่ได้ส่งมาเผลอแล้วเห็นไหมปุ๊บตอนส่งไมาครับน้ำตการหลวงพ่อนะครับเอตั้งแต่ ฝึกกับหลวงพ่อมาคือฟังซีดีนะครับก็รู้ตัวเองมากขึ้นนะครับคือรู้ตัวเองว่าตัวเองถือมากเลยครับบางทีทื่อครับโดนด่าก็เฉยชมก็เฉยบางทีไปทําบุญยังเฉยเลยครับเนี่ยแหละครับก็รู้ไปว่ามันเฉยนะครับรู้ไปอยากหายไหมอยากครับเอไม่เฉยแล้วเห็นไหมครับแล้วต้องแก้ยังไงครับ ไม่แก่ให้รู้ให้ดูอย่าง <นะ S 1> เดียวครับอยากหายรู้ว่าอยากหายนะให้รู้ทันจริงๆแล้วมันไม่มีใครเฉยตลอดหรอกมันมีความรู้สึกอื่นแทรกเข้ามาแต่เราสังเกตไม่เป็นสังเกตไม่ทันอย่างมันเฉยๆแล้วเราอยากหายเนะี่ยมันไม่เฉยแล้วขณะนั้นนะดีแล้วฝึกไปอายุเท่าไหร่ละ32มสิบสรับ ล, ลายหลวงพ่อคิดว่าเด็กๆคนแก่ก็อย่างนี้เนาะเห็นใครก็ดูเด็กดีแล้วฝึกไป ก, การนมรัศการหลวงพ่อค่ะช่วงที่ผ่านมาที่รายงานหลวงพ่อว่าจิตค่อนข้างจะไปติดในความนิ่งแต่ว่าเราจะมีลักษณะความตั้งมั่นรู้ตัวชัดอยู่แล้วก็จะเห็นตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็เห็นในลนักษณะพอมาฟังซีดีหลวงพ่อที่ว่าจริงๆแล้วตัวผู้รู้ตัวก่อนดับไปแล้วและถึงมีตัวรู้ขึ้นมาใหม่อันนี้ยังถูกต้องอยู่ใช่ไหมคะตัวรู้เนี่ยอย่าไปมองใส่มันค่ะ ถ้าเราไปมองใส่มันปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้แล้วเกิดตัวรู้ซ้อนขึ้นมาอีก<ะ>พอไปมองนะก็จะซ้อนเข้าอีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นการเที่ยวสแสวงหาตัวผู้รู้หลวงปู่ ด, ดูลใช้ใช้คํา อ, อกอยาใช้จิตสแสวงหาจิตอย่าใช้ผู้รู้สแสวงหาผู้รู้สแสวงอีกกลับหนึ่งก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่เจอเพราะงั้นให้แค่รู้สภาวะทุกอย่างที่เขาเป็นอย่าจงใจไปดูตัวรู้ นี่คือยังมีความจงใจอยู่นิดนึงใช่ไหมคะควาจงใจอยากทําให้ดีรู้สึกไหมแล้วากจะดูยังไงนะมันจะดีกว่านี้ค่ะมันจะรู้สึกอย่างนี้แต่แต่ตรงนี้ก็คือยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้ดีกว่าเมื่อก่อนเลยดีกว่าค่ะดีกว่ามีพัฒนาการขอบคุณค่ะดีใจรู้สึกไหมดีใจไม่เห็นแล้วเดี๋ยวขอถอนคําพูดเลยครับหลวงพ่อรู้สึกว่าช่วงนี้ใจเป็นกลางมากขึ้นครับ แล้วก็เห็นเขาบังคับไม่ได้จิตใจก็ทำงานตลอดทั้งวัน ด, ดีภาวนาใช้ได้แล้วนะมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมครับที่ภาวนาอยู่ดีแล้วทำบ่อยๆตอนส่งไมลลืมไปแล้วรู้สึกไหมนะบอกแล้วยังไม่รู้เลย <c oughs> ตอนส่งไมเนี่ยนะเป็นตอนปราบเสียนอะไรรู้ไหมผลลัพธ์ผลลัพธ์เอาไหมเอาไหมเอาไหมอยากให้มันไปเร็วๆ <c oughs> อย่าให้อย่าให้ขาดช่วงดูทีีไป อ่ะได้อีกคนสองคนอ่มนะมรรศการค่ะอยากจะถามว่าที่ทําอยู่นี้เป็นอย่างไรคะ่ะดีแล้วล่ะดูเลยได้ค่ะแต่ตอนนี้ใจไม่ตั้งมัน่นค่ะแต่ใจมีความสุขเยอะคือแล้วรู้สึกไหมค่ะนั่นแหละฝึกทำไมวันนี้รู้สึกว่าตัวเองอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาลมไม่เป็นไรนี่จิตไปอยู่กับลมหายใจรู้ว่าจิตไปอยู่กับลมหายใจก็ใช้ได้ตรงที่มีปัญหาคือจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ต่างหากนั้นจิตไปอยู่ที่ลมรู้ว่าอยู่ที่ลมใช้ได้ จิตอย่าอย่าไปอยากให้หายนะอ๋อไม่ต้องออไม่ต้องให้หายมันจะไปไงก็ตามดูมันไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องแก้แล้วต้องทาอะไรไหมนี่ไงไม่ต้องแก้ไม่ต้องนะคะออขอบคุณค่ะแต่ส่งไปข้างหลังข้างหลังส่งกันบ้านครับก็ช่วงก่อนนี่มันติดโทสะอยู่ครับแล้วช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามันหลุดจากตรงนั้นออกมาก็รู้สึกใจมันมีความสุข ข, ขึ้นเยอะ ก็ดูไปหน้ามันหลุดเองบังคับไม่ได้เดี๋ยววันหลังมันก็ไปติดได้อีกต่อไปเราใจก็เป็นกลางกับทุกๆุกสภาวะแล้วตอนนี้ใจรู้สึกเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นครับแต่ว่าไม่เป็นกลางจริงสักพักก็จะเข้าไปเกาะได้อีกนะมันเจอเข้าไปติดนิ่งๆอืแล้วก็สักพักก็จะหลุดออกมาจากตรง น, นี้นแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละครับนะแต่ว่ามันยังเป็นโลกิยะอยู่ยังกลับกรอกได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมตา อ่ะเบอร์สี่สิบมีไหมแล้วนิมัสการหลวงพ่อะคะ่ะเมื่อวานนี้วุ้นกับโนดก็ไปกรบาบพระอาจารย์อ น, นันต์ท่านก็ถามว่าหลวงพ่อมีคนมาเยอะไหมหวุ้นก็บอกว่าร้อยกว่คนนะค่ะก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกว่าวุ้นเชื่อเธอนะคะในใจเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่อยากทำอะไรเลยวันนี้สบายกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมแต่ว่าปล่อยเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่ยังไม่ปล่อยเกินไป กำลปล่อยพอดีพอดียังปล่อยไม่หมดด้วยซ้ําไปอ๋อต้องปล่อยมากกว่านี้ต้องทําเหมือนแบบไม่สนใจเลยเหรอคะไม่ใช่ไม่สนใจไม่จงใจรู้ไม่จงใจรู้อที่ผ่านมาเราจงใจรู้มากไปจนแข็งแข็งอางเบอร์สี่สิบนมัสการหลวงพ่อครับเอผมมีโอกาสได้ฟังซีดีมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ลองทําดูทีนี้ไม่มั่นใจว่าตัวเองรู้สภาวะถูกหรือเปล่าอะครับ เห็นกิเลสบ้างไหมล่ะอเห็นบ้างครับตัวไหนเกิดบ่อยก็น่าจะเป็นเพราะน่าจะเป็นหลงอะครับน่าจะเป็นใช่ไปดูเรื่อยๆนะต่อไปอย่าหลงนานครับให้มันหลงได้นะแต่ไม่ให้นานใจเผลอไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกหัดใจเรื่อยๆครับแล้วใจตื่นบ้างหรือยังครับตื่นครับแต่ขี้สงสัยไปนิดนึงครับตื่นเต้นดูออกไหมดูออกครับตื่นเต้น ค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะคือคือว่าหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ดูอยู่เริ่มจะเป็นหรือยังเออเริ่มจะเป็นแล้ว อ, อย่าขี้เกียจนะิผู้ชา ย, ยใช้ได้ดูไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจน ะ, ะหนูแหงขี้เกียจ ด, ดูใช่ส่งไปคุณโนตกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ดิฉันปฏิบัติมาได้สักประมาณสามอาทิตย์ได้ฟังซีดีของท่านนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าช่วงหลังนี้อารมณ์เป็นกลางจะเกิดขึ้นบ่อยถ้าเมื่อไม่เป็นกลางสภาวะทุกข์จะปรากฏชัดมากใช่ใช่พามันไม่เป็นกลางความทุกข์จะเกิดแต่เราอย่าอยากให้เป็นกลางนะของโยมมีปัญหาเดียโยมอย่างประคองไหมอย่างประคองให้นิ่งประคองให้เป็นกลางค่ะปล่อยเลยไม่ทําอะไรตามรู้มันลุกเดียว ตอนนี้เวลาอาการตอนจะนอนนะคะสังเกตดูว่าตอนจะหลับนี่ลมหายใจจะเห็นชัดว่าม kind of ันขาดช่วงมันเกิดดับเกิดดับตลอดเอลมหายใจไม่เป็นจังหวะเดียวอะะไรนลมหายใจจะไม่ใช่จังหวะเดียวที่เข้าแล้วเห็นเข้าเข้าแล้วก็ออกแต่มันจะเป็นเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดใช่ใชเจ้าค่ะดูมันไปนะดูด้วยใจเป็นกลางอย่าให้เราถลําลงไปดูนะดูอยู่ห่างๆเห็นร่างกายมันนอนหายใจไปใจเราเป็นแค่คนดู ถ้าใจเราถลําไปแล้วมันจะไปติดสมถะบางครั้งนี่นอนไม่หลับเพราะว่าจิตเขาทํางานของเขาเองเขาจะไปรับรู้นามการต่างๆเราก็ฝึกไปแบบผ่อนคลายผ่อนคาลายให้มากกว่านี้นิดนึงเจ้าค่ะถึงเวลาพักมันจะได้พักถ้าเราเร้าสติแรงเกินไปมันจะไม่ยอมพักเลยทั้งวันทั้งคืนมันจะรู้รูปเดียวสติที่กล้าแข็งเกินไปไม่ดีนะเจะมีมีอยู่ในวิปัสสนูมีอยู่ตัวหนึ่งที่สติแรงเกินไป รเราเรามันมากไปคลายออกนิดหนึ่งเจ้าค่ะคุณหมอมีอะไรไหมหมอคน้องมีอะไรเปล่าครับลำกรรมลำพักษ์การหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็รู้สึกตัวได้ได้พอสมควรนะฮะใช่ดีแต่ว่ามันมันไม่ไม่เบาสบายเหมือนก่อนอมไม่ทราบมันเพราะอะไรดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดีก็ได้ไม่ต้องสุขก็ได้ครับมันจงใจแรงขึ้นมามันก็ไม่สบาย หล้อย่างนะบางทีรู้ถูกต้องแล้วเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยอันนั้นเพราะมีปัญญานะไม่ใช่ว่าภาวนาแย่ลงจิตของคุณนะมันดีขึ้นมันไม่ใช่แย่ลงแต่ว่ามันเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นว่ากายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์ไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยเห็นถูกต้องแล้วครับถูกแล้วยังสงสัยอีกเนี่ยมั น, มนสงสัยเพราะว่าเทียบกับข่าวก่อนนู้นที่มันสบา ย, ยาไปบังคับตัวเองแรงไปนิดนึง อาคุณโชคชัยโชคชัยเกินจริงอยู่นิดนึงดรออกไหมวันนี้ดูไม่ออกมันมันไปติดแบบที่เคยติดนิดนึงแต่ไม่เท่าแต่ก่อนนะครับมีนิดนึงมันเป็นตะคองไว้นิ่งๆ น, นิ่มๆห ว, วานหวานอ๋อใช่ครับนะใช่แั้วถไปแก้งทำนะทาแบบหวานเย็นห <c oughs> วา น, <c oughs> วานเย็นเย็นกำลังกลัวอยู่เหมือนกันครับเอาไปเชิญโยมกลับบ้าน